ดูก่อนอานน์อุบาสกทั้งหลายหมู่บ้านนาทิกะ96คนทำกาละแล้วเพราะสิ้นสังโยชน์สามอย่างไปขณะเดียวกัน ร, ราคะโทสะโมหะของท่านก็เบาบางจากเป็นสกทาคามีจากมาสู่โลกนี้ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วจากทำที่สุดแห่งทุกพระสกาธาคามีมีตั้ง96อ่ะนะผมแบ่งมานี้สักองค์ไม่ได้เลยแบ่งมาองคหนึ่งอ่ะนะ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 ถ้าบบพูดแบบภาษาเราๆนะพูดภาษาเรานะี่ยไม่ใช่ภาษาพุทธเจ้าคือเรื่องที่มันน่ารําคาญเนี่ยมีอยู่ว่าเมื่อมีใครตายเมื่อมีใครตายบุคคล น, นั้นทํากาละแล้วเนี่ยพวกเธอก็จะมาหาตถาคตมาถามเนื้อความนี้ว่าดูก่อนอานอนท์ข้อ น, นี้เป็นการเบียดเบียนแก่ตถาคตโดยแท้เนี่ยนะใครตายก็มาถามคนนั้นไปเกิดที่ไหนไอ้คนนั้นาตายแล้วคนนั้นเขาไปไหนก็เหมือนมาถามธรรมะเหมือนกันนะบางทีก็ามาถามอ้าวคนนั้นไปไหน วันนี้ไปไหนอะไรผมจะไปรู้เขาเลยอย่างเงก็ไปถามเขาสิว่าเขาไปไหนอย่างเงี้นยนะคล้ายแบบนั้นอ่ะนะแต่นี้พระองค์ไม่ราคาญหรอกพระองค์ไม่มีโทสะอะไรแต่ว่าถือว่าเบียดเบียนพระองค์เหมือนกันนะพระองค์ไม่ราคาญก็จริงแต่ถือว่าเป็นการเบียดเบียนพระพุทธเจ้าใครตายก็ต้องมาคอยถามตายทั้งอินเดียนเ น, ยนี่ยมาถามว่ามานั่งแจ ก, กบัญชีรายชื่อใครจะไปไหนใช่ไหมเหมือนก็อะไรนะสมมุติว่าเป็นเจ้าหน้าที่กรมอะไรนะประเภทกรมที่ออกนอกประเทศอ่ะกระทรวงต่างประเทศอย่างเงี้ยนะ ไม่ใครมาถามคนนั้นเขาออกจากประเทศนี้เขาไปไหนไงเขาเนี่ยไปไหนบอกคุณไปอ่านตามนั้นเอาแล้วกันนะแล้วก็แต่นี้ของพระพุทธเจ้ามีหลักการให้เพราะฉะนั้นดูก่อนอนอนท์เพราะเหตุนั้นแหละเราแตถาคตจักสแสดงธรรมะปริยายที่ชื่อว่าแว่นธรรมคำว่าตั้งกระจกว่าให้ตรวจ ด, ดูใครอยากจะดูก็มาดูเอาตามนี้แล้วกันเดี๋ยวตั้งกระจกเอาไว้ให้แว่นธรรมนี่แปลว่ากระจกส่องธรรมนั่นนะคำว่ากระจกเอาไว้สอดส่องซึ่งอริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมะปริยาย ชื่อว่าเว่นธรรมแล้วหมายว่าถ้ามีคุณสมบัติตามที่วางเอาไว้นี้นะปราศ ท, ท่าต้องการก็พยากรณ์ด้วยพยากรณ์ตนเองด้วยตนเองว่าฉันเนี่ยนะหมดสิ้นนรกแล้วไม่ไปสู่นรกแล้วมีกําเนิดสัตว์เดรัจฉานสิ้นแล้วแปลว่าไม่ต้องเกิดเป็นเดรัจฉานอีกต่อไปพันธุ์ทได้ยินเสียงมาเห่าฮ้องขึง้นมาบอกฉันไม่เกิดเป็นมาอีกแล้วเนี่ยนะตอบได้เลยใช่ไหม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 คิดไต่ไปตามลวดลายต่างๆอยู่ตลอดเดวลาเนี่ะเอาปลวมคิดอย่างนั้นนะคิดไต่ชรนชัยไเรื่อยน้องๆแมงกระชร น, นั่นนหะหรือว่ามีวิสัยแห่งเปรตสิ้นแล้วแปลว่าเลิกเกิดเป็นเปรตสถัทีอย่างนั้นมีอบายทุกติวินิบาศนรกสิ้นแล้วฉันเนี่ยเป็นพระโสดาบันผู้เข้าถึงกระแสอริยมรรคโสดาบันเนี่ยแปลว่าเข้าถึงกระแสอริยมรรคแล้วเป็นผู้ไม่ตกต่ําเป็นธรรมนาไม่ตกกว่า น, นี้อีกแล้ว เป็นผู้แน่นอนแล้วเพราะประชุมอารยมักได้แล้วและจะตรัสรู้โ ส, สกะธาคามีมักอนาคามีมักอรหัตตมักต่อไปในภายภาคหน้าอันนี้จะให้ให้ให้วิธีตรวจสอบนะเอาไปตรวจสอบกันเองแล้วกันวันนี้ามาถามบ่อยเบียด ดูก่อนอนน์ก็ธรรมบรรยายชื่อว่าเว่นธรรมซึ่งอริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมบรรยายชื่อว่าเว่นธรรมแล้วเมื่อปรารถนาพึงพยากรตนเองด้วยตนเองว่าฉันเนี่ยมีนรกสิ้นแล้วมีกำเนิดสัตว์เดรัจฉานสิ้นแล้วมีวิสัยแห่งเปรตสิ้นแล้วเป็นผู้มีอบายทุคติวินิบาศสิ้นแล้วฉันเนี่ยเป็นพระโสดาบันเป็นผู้ไม่ตกต่ําเป็นธรรมดาเป็นผู้แน่นอนแล้วและจะตรัสรูต้ต่อไปในภายภาคหน้านั้นเป็นไฉนะก็คืออะไร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 เพื่อเอาไว้สัมภาษณ์ความมั่นใจแม้เลื่อมใสจริงจริงมั่นคงมากเลื่อมใสามาก น, นะไม่วันไหวเลยไม่เปลี่ยนแปลงเลยเนี่ยนะสองแม้เพราะเหตุอย่างนี้แม้เพราะเหตุอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นผู้ตรัสรู้โดยชอบด้วยพระองค์เองเรามาเช็คดูนะแต่ละบทแต่ละบทนี่วันไหวไหมเขาบอกว่าเอ๊ไม่รู้เลยถ้าไม่รู้หนักกับ ว, วันไหวอีกไม่ใ <c> ช <oughs> ่อะไรนะ อะไรนะถ้าวันไว้มันก็ยังพอมีข้อมูลบ้างนะทำไม่รู้เลยมันหนกักกว่าวันไว้มิดเลยนะมืดมิดเลยนะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเลื่อมสายอย่างรู้พระพุทธคุณด้วยและเลื่อมสายอย่างไม่วันไว้ด้วยนะตั้งแต่อรหังสัมมาสัมพุทโธ ว, วิชาจรณะสัมปันโนสุกตโตโลกวิทูอนุตโตโรปุริสธรรมมาสารติศาสถาเทวมนุสานางพุทโธพะวะนะสอบถามดูนะทั้ง9บท10บบทเนี่ย ก้าบทก็ได้10บทก็ได้เนี่ยนะถ้าในหนังสือเนี่ยบทสันเสริมพัฒนาตรายอยู่ท้ายๆเล่มเนี่ยไปอ่านดูว่าแหมต่างงิดต่างงิดอยู่ในใจหรือเปล่าเนี่ยถ้ต่งิดต่างงิดในในใจหรืออ่านแล้วก็ไม่ค่อยจะเข้าใจเข้าใจยังไม่เข้าใจจะเลื่อมสายได้อย่างไงใช่ไหมก็ต้องเช็คดูนะหนึ่งข้อที่หนึ่งที่บอกว่าปิดชนิดปิดนรกแน่นอนนะแต่ถ้าบอกว่าเลื่อมสายนะแต่ก็ปิดได้ยังไม่แน่นอนถ้าเลื่อมสายธรรมดาทั่วๆไปยังไม่พอที่จะปิดอย่างแน่นอนและ เที่ยงแท้ถ้าปิดแน่นอนอย่างเ ท, ที่ยงแท้อรหังปั๊ปปิ้งเลยนะเลื่อมสายมากเนี่ยนเหมือนไม้หลักปักอะไรนะเหมือนเสาหินที่ฝังลงในเดีวนะเสาหินเนี่ยยาว8เมตรอย่างเงี้ยฝังลงในเออฝังลงดินเนี่ย4เมตรพผล่ขึ้น4เมตรดินที่มั่นคงอัดแน่นเลย é, young, mesa, Mickey, นะนะก็บอกว่าไม่สะเทือนด้วยลมทั้ง4ทิศฉันใดผู้ที่เห็นอริยสัจทั้งหลายก็เป็นฉันนั้นเขามีศรัทธาไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า มีศรธรรมไม่หวั่นไหวหรือประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรู้ดีแล้วนะสาน ท, ทีิโกผู้บรรลุเพ่งเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกอริยมักให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเรียกให้เขามาดูได้โอปนัญิโกควรน้อมมักผลให้มีในจิตควรน้อมจิตเข้าไปใน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 ทั้งหมดสประการนั้นหนึ่งศรัทธาเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระพุทธสองพระธรรมสพระสงฆ์สี่อริยกันตศีนดูก่อนอนุนธรรมบรรยายเชื่อวเว้นธรรมนี่แลที่หรือซึ่งพระอริยาสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมบรรยายเชื่อเว้นธรรมแล้วเมื่อปรารถนาพึงพยากรตนด้วยตนเองว่าฉันเนี่ยมีนรกสินกนสนส้นแล้วมีกําเนิดสัตว์เดรัจฉานสิ้นแล้วมีปิติวิสัยสิ้นแล้ว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 หรือว่าไม่มั่นใจก็ตรวจสอบได้นะจริงๆแล้วความเจริญความเสื่อมความปฏิบัติใกล้พ้นทุกหรือแนวโน้มวิ่งไปหาทุกตรวจเช็คได้จากอะไรนะธรรมะปริยาที่เรียกว่าธรรมะท่าสะหรือแว่นสองธรรมแว่นธรรมหรือกระจกส่องดูตัวเองส่องดูซิว่ามีศรัทธาจริงไหมส่องดูซิว่ามั่นใจในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ขนาดไหนส่องดูตัวเองว่ามั่นใจในศีลขนาดไหนรักศีลขนาดไหนถ้ามั่นใจได้อย่างนี้แล้วก็เห็นอริยสัจนี่ก็แสดงว่าอ่ะละ ปิดนรกได้แล้วเนี่ยนะมาดูนะว่าโหถ้าใครปิดได้ก็ขอนอบน้อมต่อผู้นั้นเนี่ยนะเพราะเขาปิดนรกได้เนี่ยพระพุทธเจ้าก็เชื่อแต่คนอื่นก็ไม่เลวนะอถ้าอย่างนี้อีกนานนะเขามีบางคนนะบ่าเออพระพุทธเจ้าศาสดาที่ดีนะเก่งศาสดราอื่นเขาก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะถ้าอย่างนี้ก็ก็ก็ตามใจกันละกันอ่างนั้นเถอะแต่รู้แล้วว่าอีกนานกว่าจะเป็นนะนะคุณสมบัติขนาดนี้อีกนาน ได้ยินว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จอยู่น่าเรือนรับรองก่อด้วยอิฐในหมู่บ้านนาธิกะนั้นพระองค์ก็ทรงทำมีกระานี่แลเป็นอันมากแก่พิกษุทั้งหลายว่า ศีลคือจตุปาริสุทิเศนเนี่ยมีอยู่ด้วยประการชนีสมาธิอุปจารสมาธิอัปนาสมาธิเนี่ยมีอยู่ด้วยประการชนี้ปัญญาเนี่ยนะกรรมสกตาปัญญาวิปัสนาปัญญามัคคปัญญาเป็นต้นเนี่ยมีอยู่ด้วยประการชนี้มัคคสมาธิผลสมาธิอันศีลอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสง์มากมัคคปัญญาผลปัญญาอันสมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสง์มาก มัคจิตพลจิตอันปัญญาอบรมแล้วก็ย่อมหลุดพ้นโดด้วยดีโดยแท้จากอาสะวะทั้งหลายกล่าวคือกามาสะวะภวาสะวะและอวิชชาสะวะดังนี้แลน่นะพูดถึงคุณสมบัติของพระริยเจ้าว่าคำว่าพระอนาคามีเนี่ยนะละโอรัมภาคยสังโย์สังโยช์ยชที่ ทำให้สู่เบื้องล่างหรือสังโยชน์ที่นําให้ปฏิสนธิในกาลมาพบชื่อว่าโอรัมภะโอรัมภาคยะสังโยชน์โอรัมภาคยะสังยโยชน์เนี่ยนะทีมท่มักทั้งมักทั้งสคือสกโสดาปฏิมกัสะกสกธาคามีมักอนาคามีมักที่ต้องละไปสังโยชน์สนี้คือกาลมราคะพยาบาทที่ข่มไม่ได้ด้วยสมาบัติหรือตัดไม่ได้ด้วยมักไม่ให้ไปสู่รูปประพบและรูปประพบเบื้องสูงสังโยชน์สา คือสกายะทิฐิวิจิกิจฉาศีรพัตะปรามาศนำสัตว์แม้ที่บังเกิดในภพนั้นให้มาบังเกิดในภพนี้อีกเพราะฉะนั้นสังโยชน์ทั้งสามนั้นอะชื่อว่าโอรัมภาขยะสังโยชน์ <c oughs> สกายะทิถิวิจิกิจฉาศีรพัตะปรามาศผูกไว้ในนรกเปรตอสุรกายและเดรฉาณการมราคะกับพยาบาทเนี่ยทำให้ผูกไว้ในมนุษย์กับเทวดาถ้าพระอนาคามีเนี่ย ตัดสังโยชน์ทั้งห้าเหล่านี้ได้ก็ไม่ต้องมาปฏิสนธิในการมาภูมิ11อย่างไม่กลับมาปฏิสนธิอีกเป็นสภาวะนะแต่ถ้าสำหรับพระสกะทาคามีล่ะท่านก็ทำที่ราคะโทสะโมหะให้เบาบางท่านกิเลส ท, ท่านเบาบางมากะนะถ้าไข้ก็ไข้นิดๆไข้เล็กน้อยนะไม่ไม่ป่วยรุนแรงขนาดเข้าห้อง icu เป็นต้นขนาดนั้นหยอดน้าเกลือสายใหโยงยางเต้ไปหมดไม่ถึงขนาดนั้น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 ปุตุชนเนี่ยไม่เกิดบางๆเหมือนภาชนะสายปลาเขาบอกว่าจริงๆแล้วพระสะกาทาคามีเนี่ยน ะ, ะกิเลสท่านของท่านจริงๆก็ยั ง, ก, ยงก็ถือว่าเบาบางมากพระโสดาบันเนี่ยนะเว้นพบที่เจดเสียท่านก็ปฏิสนธิปฏิสนธิในพบที่8ดไม่มีแปลว่าถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ก็นอนอยู่ในครันอกีกไม่เกินเจครั้ง น, นะก็นอนอยู่ในครันอีกประมาณเจดครั้ง พระพระสกธาคามีก็นอนในคันไม่เกินหนึ่งครั้งนะเพราะกิเลสเบาบางมากพระนาคามีเนี่ยนะไม่ต้องมาสู่การมาพบโดยปฏิสนธิเลยไม่ต้องปฏิสนธิในการมาพบแต่พระพระอรหันต์นี่ก็บางทุกแห่งไม่มีกิเลสเหล่าใดเลยก็ทำที่สุดแห่งทุกบทว่าอิมังโลกังเนี่ยนะหมายความว่าถ้าพระอริยบุคคลบรรลุสกธาคารนีในมนุษยโลก แล้วบังเกิดในเทวโลกย่อมทําให้แจ้งซึ่งผ้ารหัสข้อดีข้อนี้ดีอย่างนี้ข้อนี้ถ้าบ้าอย่างนี้ดีแต่เมื่อสามารถกลับมาสู่โลกแล้วก็ย่อมทําให้แจ้งผ้ารหัสอันนี้แหละเรียกว่าพระสะกทาค า, ามีที่มาสู่โลกนี้ครั้งเดียวแต่บางองค <s> ์เนี่ยเป็นพระสะกทาค า, ามีแต่ก็ต่อเป็นอนาคามีแล้วก็เป็นผ้ารหันได้สําเร็จก็มีบางองค์ก็เป็นพระสะกทาค า, ามีในเทวโลกตายจากเทวโลกมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเป็นพระารหันอย่างนี้ก็มี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 นิยโตแน่นอนเพราะอะไรเพราะเข้าถึงสัมมัตตานิยามคืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แสัมโพที่ปายโนก็คือมรรคสามเบื้องบนหมายว่าพระโสดาบันเนี่ยจะต้องบรรลุสกอาทาคามีมรรคอนาคามีมรรคอรหัตมรรคเนี่นะเบื้องหน้าต่อไปเป็นไปดําเนินไปเพื่อบรรลุมรรคชั้นสูง น, นะก็เลยเรียกว่าสัมโพที่ปายโนมีสัมโพที่คืออริยมรรคเป็นเบื้องหน้า ด้วยบทว่าวิเหสาวเวสาดูก่อ น, นะนอนุนถ้าใครเนี่ยนะใครตายก็มาคอยจะถามเรานั่นเป็นความลำบากทางร่างกายของตถาคตเพราะอะไรเพราะต้องคอยมาตรวจ ด, ดูว่ายานคติกในคติหเขาไปเกิดที่ไหนอุปา ท, ทิกติกเขาเกิดในอุบัติอุบัติคือเกิดในอะไรเกิดในภพไหนหรือว่าสัมปรายภาพการมาภพรูปภพอรูปภพเนี่ยเขาเป็นอย่างไรเขาไปเกิดในคันเกิดในใครเกิดในเท่ากลาเนี่ยถ้าคอยจะถาม เราก็ต้องเมื่อเมื่อร่างกายต้องมาคอยตรวจดูนั่นแหละนะแต่ว่พาพองไม่เหนื่อยใจเพราะอะไรเพราะพระองไม่มีโทสะว่านงนันนะไม่เคลียทางความคิดเนี่ยนะเคลียร์แต่ร่างกายแต่ใจไม่เพลียใจไม่ป่วยเพราะอะไรเพราะอกิเลสที่เปนเรนียนให้ไม่สบายทางใจไม่มีแต่ร่างกายนี่เหน็ดเหนื่อยไหมบอกว่าเหน็ดเหนื่อยธรรมธาสะก็คือแว่นสองธรรมนะนะ มันถ้าหากว่าใครก็ตามถ้าเอาแว่นส่องธรสี่ประการคือเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีอริยกันตศีนมีสี่ประการพยากรณ์ตัวเองได้เลยว่าปิดนรกได้แล้วนะปิดนรกอาบายทุคติวินิบาดนรกได้แล้วเพราะอะไรเพราะเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวเพราะถึงพระพุทธคุณตามความเป็นจริง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 เข้าถึงธรรมะที่ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์มีอริยะการตัดสินโดยทั่วนกันเนี่ยนะจะได้เป็นผู้มีอบายทุกขติวินิบาตนรกอันปิดไว้แล้วเนี่ยนะเป็นผู้ที่แน่นอนที่จะได้ตรัสรูต้ต่อไปในอนาคตชาวนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้